ในวิมุตที่หลวงตาสอนเมื่อเช้าค่ะที่ลงในความเป็นวิมุตคือทั้งคำว่าวิมุตและคำว่าหายตัวไปไก็คือธรรมชาติในการใช้ชีวิตประจำวันที่แบบเป็นความว่างอันนี้ใช่ไหมคะก็คืออยู่กับแต่ไม่มีใครแต่ไม่มีตัวเราค่ะ บ่างแบบไม่มีตัวเราเป็นตัวเราธรรมชาติปกติที่ว่างๆไม่มีตัวเราด้วยไม่มีตัวเราด้วยคือกลับมาไม่มีตัวเราในความว่างในความว่างไม่มีตัวเราคือกลับมาเป็นธรรมชาติไม่มีใครกลับมีแต่ธรรมชาติไม่มีใครกลับใช่ค่ะเออไม่มีใครกลับคือไม่มีตัวเรากับคืนธรรมชาติไม่มีตัวเรากับคืนธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติที่เป็นความว่าง กับธรรมชาติที่เป็นสมมติ<ท>สุดท้ายอพอตายหมดแล้วฐานหน้าแตกดับแล้วนะเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าสมุติหายไปเหลือแต่ใจที่ว่างเปล่าที่เป็นสมมติแต่สมุติจาหายไปไหนอ่ะสมุติก็หายไปจะไม่ได้หายศูนย์นะเพราะว่า เวลาลงปู่มั่นพุทธเโตเนี่ยท่านไปรู้อรหันต์แล้วท่านเ่อพุทธเจ้าและพระหลานันอยู่กันยังไงปรากฏพระพุทธเจ้ากับพระหลานมาปรากฏอ่าทําไมจึงมาได้หลวงปู่มั่นถามก็เพราะว่าอันนี้มาในรูปของสมมุติแต่วิมุติไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นกันได้ดงนั้นสมมุติกับวิมุตมันรวมอยู่ด้วยกันแหละแต่เมื่อ มันสิ้นผู้ยึดเสแล้วสมุติก็คงเป็นสมุตวิมุติก็คงเป็นวิมุตตแต่พอสิ้นผู้ยึดปุ๊บขนาน้าดับหมดส่วนจิตที่ปรุงแต่งได้ซึ่งปรุงแต่งให้เป็นสมุตได้หายไปรวมอยู่ในวิมุตคือกวา่าบางจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้เพราะว่ามันเป็นธาตุความว่าเป็นธาตุรู้อยู่ จะปรุมก็ได้ไม่ปรุมก็ได้เพราะว่าธาตุรู้ก็ไม่ได้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราตัวเราไม่ได้เป็นธาตุรู้ตัวเราไม่มีมีแต่วิมุตตกับสมมุติแต่ไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราอย่างของสิรัฐเนี่ยการปล่อยวางผู้รู้เนี่ยของสิรัสไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันตนคนอื่นเขาเนี่ยที่สอนเมื่อกี้เนี่ยคือให้ปล่อยวางผู้รู้ที่เป็นวิญญาณขันตน คือวิญ ญ, ญ, ญาณาขันธ์เนี่ยมันเป็นรู้ตามภาวาล่างตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็เอามาคิดมานึกมาติดมาตองมาปรุงแต่งเหมือนพูดได้ภาคได้ในใจแต่ของสิรรัตเนี่ยไปวางผู้รู้ที่คือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือใจที่บริสุทธิ์ไปยึดเอาธาตุรู้หรือใจที่บริสุทธิ์เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วยึดเอาเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเรา แต่ไอเนี้ยผู้รู้เนี้ยไม่ได้เป็นวิญญาณขันธ์ของพิลาเดคือเป็นผู้รู้ที่เป็นพุท ธ, ธะแต่อาพุท ธ, ธะเนี่ยเป็นตัวเราอ๋อก็คือเมื่อไหร่ที่หนูคิดหรือว่าจะยังไงนี่ก็คือเป็นตัวเราใช่ไหมใช่ตัวที่ริง ท, ที่หายตัวไปคือความว่าง mm hmm. ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติของความว่าง mm hmm. เป็นธาตุรู้ก็เลยจึงเรียกว่าธาตุธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันใช่ธาตุจึงไม่ใช่ตัวเราเพราะเป็นธาตุ มันเป็นธาตุเช่นเดียวกับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เรียกว่าธาตุรู้ที่บริสุทธิ์แล้วตอนนี้คือสิ้นอวิชชาแต่พอไปยึดธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ก็ยังเป็นอวิชชาอยู่เลยยังไม่เป็นนิพพานเพราะว่ามีแต่ธาตุตัวเราไม่มีแต่กลับไปยึดว่าตัวเราเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้มันไม่ใช่ว่าเป็นรู้โง่รู้เอ๋อแค่รู้แล้วก็รู้แต่โครงล่าง แล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรท่านรู้เนี่ยรู้เหมือนพุท ธ, ธะเหมือนพระเจ้ารู้ทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีความรู้มากขนาดพระเจ้าเพราะท่านรู้พระเจ้าเนี่ยก็เกิดมามา้าสงสมบุญบารมีมากเวลาหลุดจากความหลงแล้วเนี่ยมาเป็นรู้แล้วเนี่ยมาเป็นท่านรู้ที่บ่อยสุดแล้วความรู้นั่นเน่ะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีใครคาดหมายได้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะรู้ถึงอะไร ธาตุรู้พระเจ้าเนี่ยส่วนธาตุรู้ของพระราหันแต่ละท่านเนี่ยที่อยู่ในร่างกายนะหม่ถึงว่าที่ผสมเป็นร่างกายของพระเจ้าเนี่ยธาตุรู้ที่ผสมเป็นร่างกายพระเจ้าเนี่ยมันก็ส่งสมบุญบารมีสั่งสมความรู้มาในธาตุรู้นั่นแหละส่วนธาตุรู้ที่ผสมกันเป็นร่างกายของุของพระราหันเนี่ยก็เป็นธาตุรู้ที่ส่งสังส่งสมบารมีความรู้ความเข้าใจมาพอมันสิ้นอวิชชาคือความโง่ตัวเดียวนั่นแหละสิ้นความหลงหยึดมัน่นถือมั่นทั้งทั้ง สมมุติที่เป็นสิ่งปรุงแต่งกับวิมุติคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือความว่างไม่มีไม่ยึดเอาผู้รู้เป็นเราไอ้ท่านรู้ที่ไปสุดเป็นตัวเราแล้วมันก็เลยเป็นสิ้นผู้ยึดถือพอสิ้นผู้ยึดถือเนี่ยไอ้สมมติมัยังเป็นสมตมติรรมวิมุติก็ยังเป็นวิมุติคือท่านที่ว่างเปล่าหงอยู่นอกเปล่าแต่มันมันขาดจนเดีวยวคือขาดคนยึดแต่ความรู้เนี่ยมันไม่ได้หายไปด้วยไงมันหายแตเอาวิชาแต่ความรู้ไม่ได้หายไปด้วยความรู้ที่มันมันอยู่ในท่านรู้นัน่นแหละ มันไม่ได้เป็นความรู้ที่แบบเรียนมาเจ้าจำได้เข้าใจแต่เป็นความรู้แจ้งรู้แบบไม่มีที่สุดไม่อยู่มาตามบุญบารมีที่สั่งสมมาในพุทธเจ้าหรือในอรหันต์แต่ะท่านความรู้เนี่ยก็คงอยู่ในธาตุรู้นี่นะแหละแต่ธาตุรู้เนี่ยมันไม่แตกดับไม่ทําลายเพราะตัวตนมันไม่มีมันไม่เกิดไม่ดับความรู้ก็เลยยังยังอยู่คู่กับธาตุรู้ที่ที่เป็นเคยเป็นผสมกันอยู่ในร่างองุตรเจ้าผสมกันอยู่ในธาตุดินน้าลมไฟ และธาตุรูปุตะเจ้าผสมกันอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรูของอลาหันแต่ไม่ได้ว่าเป็นของของเราไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพระเจ้าไม่ได้เป็นของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นของกลาหันไม่ได้เป็นของของเราแต่มันเป็นธาตุที่เคยผสมกันมาในร่างของพุทธเจ้าที่เคยผสมกันมาในร่างของอลาหันและเมื่อผสมกันมาหลายๆชาติเพราะว่ามันมีอวิชชาอยู่ก็เลยธาตุรู้ว่านั้นแน่ะ มันผสมกันมาหลายชาติรูปบวกกับวิชาเอาวิชามาหลายชาติจนกว่าจะสําเร็จร<จ EN>ูธเจ้าอาวิชาเลยดับแต่ธารู้ไม่ดับไงแต่ธารู้เนี่ยมันเป็นธาตุเดิมเป็นธาตุเดิมอดินก็เป็นดินตามเดิมดินแบบเดิมเลยเป็นดินในดินเน่ยอย่างเดิมนี่เนี่ยดินแต่ไม่ใช่ว่ า, เ ป, าเป็นดินก็ดินในโลกนี้อันใหม่แต่ถ้าตุรู้เนี่ยนี่ยมันเป็นธาตุเดิมคือว่ามันบวกกับวิชามันเป็นความว่างมันไม่มีว่าเป็นดินที่เปลี่ยนไปได้เพราะว่าดินน้ําลมไฟมันเป็นธาตุที่เปลี่ยนไปได้ แต่ความว่าความไม่มีอะไรมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันจะเปลี่ยนอันใหม่เป็นอันเก่าท่านเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้เป็นดินใหม่เป็นน้ําใหม่มันก็มันก็เปลี่ยนได้เดิแต่ท่านรู้มันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นความว่างมันไม่มีว่าว่างใหม่ว่างเก่าคือมันมันเป็นความไม่มีอะไรตลอดการมันจะมีของไม่เป็นของที่เป็นอมตะแต่ออมตะไม่ได้หมายว่าตัวเราเป็นอมตะไม่เป็นต <notre> ัวเราไมเป็นอมตะ ความรู้ที่หลุดพ้นจากอวิชชาแล้วที่อวิชชาดับแล้วมีความรู้ขนาดไหนก็มีความรู้ขนาดนั้นแหละความรู้ความสามารถขนาดไหนก็คงมีความรู้ความสามารถขนาดไหนเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีบารมีขนาดไหนก็เต็มอยู่ในความรู้นั่นแหละในพุทธะในในความรู้นั่นแหละที่เป็นพุทธะเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นความรู้ในขันห้าที่ต้องอาศัยการเรียนการจําได้หมายรู้แต่อันนี้ยมันเป็นใจที่เป็นรู้เลยเอ้เนี่ย ไอ้ความรู้ความเห็นความเข้าใจที่เรียนมาจดจําได้อันนั้นจะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองถูกกระตุกกระเทือนจําไม่ได้เลยแต่เมื่อหลุดพ้นจากวิชาเนี่ยหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งไอ้สิ่งที่เป็นปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่ปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งแล้วไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งก็คงเป็นปรุงแต่งไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขันหน้าก็คงยังอยู่ไปก็ยังไม่ตายส่วนใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความว่างแต่ความว่ามันมีบวกความรู้ ความรู้ที่เป็นพุทธะแม้แต่สมองในรับการกระทบกระเทือนเป็นอัลไซเมอร์แล้วความรู้คู่บุญบารมีอันนี้ไม่ได้หายไปไหนไมันอยู่ในความว่างแหละแต่ไม่เชียว่ามีไม่มีกิยาการอะไรได้ขึ้นมาแต่สมองได้รับการกระทบกระเทือนเป็นอัลไซเมอร์ไอสิ่งที่เรียนมาจําได้หมายรู้ที่ฟังจากลูกตาไปเนี่ยหายหมดแต่สิ่งที่มันเป็นใจของเราเสร็จแล้วที่ใจที่มายึดเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่หายเป็นความรู้คู่ใจที่ว่างเปล่า เป็นความรู้คู่ใจที่ว่างเปล่าไม่หายสมองได้รับการกระตุกระตือนร่างกายจะถูกแตกทําลายไปขั น, น้าจะแตกดับแต่ความรู้คู่ใจที่ว่างเปล่าไม่หายนั้นความรู้ที่ไม่มีที่สุดในมานที่เคยผสมอยู่ในร่างเป็นร่างพระเจ้าไม่ได้หายไปไหนความรู้ของพระหลานแค่ไหนก็คงยังยังอยู่แค่นั้นของแต่และองค์ไม่เท่ากันอเนี่ยพุทธ มีอยู่เท่าที่ความรู้มีของความเป็นพุทธะความรู้เนี่ยมีอยู่ถ้าบุญบารมีที่สร้างมาไม่ได้หายไปไหนเป็นอมตะแต่ไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นธาตุรู้เป็นความรู้ที่เป็นอมตะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นของของใครเพราะไม่มีคนยึดจึงไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเรามีแต่ความรู้พ้น เมื่อมันไม่มีเจ้าของมันก็เอามาใช้อย่างของกลางทั้งสมมุติและวิมุติเพราะมันเป็นของกลางซะแล้วมันนํามาใช้อย่างของกลางแต่ไม่มีใครยึดจึงไม่มีใครแดงนิพานไปไม่มีแดกความรู้เพราะคนอื่นเมื่อถึงเวลาเขาก็รู้ได้เหมือนกันเมื่อคนอื่นถึงเวลาเขาก็รู้ได้เขาก็ใช้ได้เมื่อคนอื่นถึงเวลาเขาก็รู้ได้เขาก็ใช้ได้จึงไม่ได้เป็นของของใครที่แท้จริงเป็นของกลาง ล้มปูล่าเขมาปโตจึงกล่าวว่านิพพานก็คงปล่อยเขาเป็นนิพพานไปซะไม่มีใครยึดนิพพาน